Ram Saran Garicha. ความเดิมตอนที่แล้วพระเจ้าพิมพิาสารเสด็จมาเฝ้าสมรักโคดมและโชวนในครอเมืองอยู่ด้วยกันแต่สมรักโคดมปฏิเสธด้วยเหตุผลว่าจะท่งมุ่งบำเพ็ญเพียรต่อไปและให้สัญญาว่าตรัสรู้เมื่อใดจะมาเทพ ร, ระเจ้าพิมพิสารและเดินทางไปหาอาจารย์เพื่อศึกษาหาทางหลุดพ้นจากอาราณาบทและอุทกนาบดแต่เมื่อทรงเห็นว่าไม่ใช่วนธามเพื่อหลุดพ้นและนิพพาน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 จงหยุดก่อนปัญจวัคคีย์ทั้งหลายกเราเพิ่งเดินทางมาไม่ไกลเท่าไหร่แต่คงตัดคำพระวรกายจนเราสงชักับก่อนอย่างนั้นก่อนใช่ไหมเจ้าคะหาไม่ได้คนทัญญะที่อาตามะให้หยุดที่ตรงนี้เพราะเห็นเป็นเชยภูมิที่ดีใกล้กลับลําน้ําในรันชราและมีไม้ใหญ่อย่างนี้โครทาหรือต้นไสร ม, มีร่มเงาให้อาศัยบําเพ็ญเพียรได้ไม่เลวเหมือนกันนะพี่โกทัญญะ เลยจากนี้ไปไม่ไกลนะกก็มีหมู่บ้านให้พวกเราได้พิจขาอาหารมายังชีพได้พวกท่านก็ไม่ขัดข้องใช่ไหมพัทยะมหานามะอัจชิไม่มีใครขัดข้องหรอกพิวปะปาแต่โคนไม้นั้นเหมือนจะมีเจ้าของเสร็แล้วละ่ะโคนทัญญะมีนายครัวบานกําลังปูราดโคนไม้ด้วยหญ้าเล้วกิ่งไม้ใบหนามาปักเป็นร่มเงาเมื่อเขามาก่อนที่นั่นจึงควรเป็นของเขาอแต่ก็ทํากริยาเหมือนเรียกราให้เข้าไปหา เราไปแต่ถามดยก่นอนเถอเจ้าพระนี่หมอเธอท่านตำรวจทั้งหลาย้าบเจ้าเด็กเดยมที่นานสบายเกล็ท่านโดยเฉพาะท่านนี้ ดีมากในโคบาลท่านเวอาจารย์ครับพวกเรามีนามว่าสมนคคโคดมโอ้ท่านอาจารย์ยังมีน้ำนมที่พักรเรียมาจากแม่โคสดๆใหม่ๆอาจช่วยท่านบรรเทาความหยิบกระหายได้คนนับเจ้าถวายนมใส่บาตแค่นี้ดูเหมือนตะหนีเลยนะนายโคบาลขา น, นึกว่าเจ้าจะบริจาคนมทั้งหม้อเป็นทานเสียอีกไม่เป็นไรวะปะั เราควรจะเต็มใจรับในสิ่งที่เขาเต็มใจให้คือข้าพเจ้าเต็มใจจะบริจาคน้ำนมทั้งหมอนเนี่ยแต่หม้อของข้าพเจ้าเนี่ยได้ผ่านมือของชนชั้นสูงที่เป็นวรรณะต่ำของข้าพเจ้าจึกเกรงว่าจะเป็นปาบาปและมรดิ์ทินแกทนทั้งหลายอืจริงด้วยสิองคสําด็จพระโดมเป็นวรรณะกระสับเลื่อนสังไปแลนะแล้วเหตุใดเราจึงกินข้าวที่ผ่านมือของชาวนาที่เป็นกรรมกรได้ อาตามะไม่เห็นความแตกต่างของชนชั้นวันณะใดๆเพราะทุกคนมีความเป็นคนเสมอภาคกันแม้แต่สัตว์ต่างๆในโลกนี้ต่างก็มีหนึ่งชีวิตมีความคิดมีเลือดเนื้อและหัวใจไม่ได้ต่ำช้ากว่ามนุษย์ตรงไหนน้องชายในโคบาลท่านกับอาตามะนับได้ว่าเป็นพี่น้องร่วมโลกกันทั้งนั้นท่านเจ้าได้ฟังคำบรรลัชื่ใจของท่าน ถ้ามันอยากขอถวายน้ำนมโคทัพหม้อเหล็กนี่ด้วยความใจดีละเต็มใจขอให้ท่านสมณะโคนมโปรดรับไว้เพื่อเป็นมงคลแก่ตัวข้าพเจ้าด้วยเถิดขอสาธุ เทพพญานางหลายขอจูแฝงกายข้ในน้ำนมข้อในโครบาลเมื่อท่านสมาะขดนมได้ดื่มกินเข้าร่างกายแลกลายเป็นพลังให้ชีพอยู่ยังยืนยงต่อไปผู้ท่านทั้งหลายก็จะได้มหากุศลนอันยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันกับนายโครบาลผู้นี้พวกข้าทั้งหลายยินดีกระทำตามที่ท่านท้ามหาพรหมประทานคำชี้แนะให้มันจะช้าอยู่ทำไม ท่านสมณาโคดมกำลังจะเสวยน้ำนมโคแล้วเห็นไหมพระคับเจ้าไปเดี๋ยวนี้แล้วองค์อินชาเราเทพยาดาแฝงพระอลงในน้ำนมแล้วองคับรินมเมื่อท่านสมณะโคดมดื่มกินย่อมมีพระกําลังชวีก็ยังคงผุดผ่องใสดำรงชีพของท่านต่อไ ป, ไปได้อีกหลายเวลาเพราะอีกไม่ชา ท่านจะต้องเผชิญกับปัญหายิ่งใหญ่ยากยิ่งที่มนุษย์ธรรมดาจะสามารถรับมือไว้ท่านหมายถึงสิ่งใดหรือท่านท้ามหาพรเป็นการทดสอบทางวิริยะหรือความเพียรของพระบรมโพธิสัตว์ครั้งสุดท้ายหรือที่ต่อไปชนทั้งหลายจะเรียกการกระทำครั้งนี้ว่าทุกข ร, ร ก, กิริยาทุกข ร, ร ก, กิริยา พี่ม่ไดินเสียงเดินเข้ามาของน้องเลยคงเป็นพรดเดินด้วยฝีเท้าอันเบาราย่องข้ามาหรืแต่มองฉันว่าน่าจะเป็นเพราะกําลังพระไทยลอยมากกว่ากําลังทรงคิดถึงสิ่งใดอยู่หรือไปค ะ, สะเสด็จพี่อืจะมีสิ่งใดที่พี่จะคิดถึงได้ในเวลาที่เล่านอกจะกข่าวพาล ข, ของสิทธาถาวรนั้นการุธายีกับคนอีกห้าร้อยที่ติดตามไปก็รู้แล้วแต่เงียบหาย เหมือนเข็มที่ตกจมลงในมหาสมุทรอันกว้างใด่หาวิแววไม่ได้เลยนะประชมดีสเสดพี่เอาแต่ทรงคิดและตัวงวลเรื่องนี้จนจนอเอาน้องหญิงมีเรื่องอันใดจะบอกพี่บอกมาสิเอาแต่จ้องหน้านิ่งแล้วก็ลังเลอยู่อย่างนี้เพราะเป็นเรื่องที่ไม่บังควรจะก่าบบังคมทูลหพคะบอกมาเถอะน้า ไม่ว่าเรื่องอันใด ห, หรือว่าร้ายแรงข่าไหนพี่ก็รับฟางได้ทั้งนั้นเพราะมันคงไม่ร้ายแรงกว่าตอนที่พี่ได้ยินว่าสิท ธ, ธาเนี่ยไปบนประช้าอีกแล้วจริงไหมถ้าอย่างนั้นก็ได้เพคะหม่อมฉันสังเกตเห็นพระเกาของสเสด็จพี่มีสีขาวดุดดอกเราขึ้นแซมแล้วหลายเส้นเพคะโอ้ั ญ, ญละลากแหงความชรามายืน แ, แล้วสินะ แล้วพี่จะต้องเดนละเทศตนเองเออกไปจากภายในวันนี้เหมือนที่เคยทำให้กับใครๆมากมายไม่ได้นะแพคะเสด็จพี่พี่พอรู้จักคำว่ากรรมตามทันในวันนี้ไม่มีประโยชน์อันไรที่จะห้ามสิ่งที่เป็นไปไม่ได้คือความเกิดความแก่ความเจ็ด และความตายไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกต่อไปมหาหอนเล็กเจ้าค่ะจงนำคำสั่งข้าไปเชิญท่านอามาตุธายีและคนแก่ทั้งหลายที่ข้าเคยขับออกไปให้กลับมานเดิมได้เดี๋ยวนี้รับด้วยก้าพระเจ้าค่ะ เป็นแค่นี้เองเลยมาดาสหายของเราเท่างหลายขออธชะข้าพระพุทธเจ้าอุทายีและก็อนีคุณท้าวโศภาพระเจ้าข้าด้วยพระบาทลำมีปกคล้าหม่อมฉันเอื้องเพคขอืมชะรอไปมากเลยนะคุณท้าวเพคขาเรากวนปัญหาให้ลาบากยากแคนมากสินะกลับมาอยู่ด้วยกันดีกว่านะอ๋อ เป็นพักอุณาเพคะแต่หม่อมฉันรู้ตัวดีว่าชราอม่ากเกินไปจนไม่มีเรี่ยวแรงถาวายหร่บนบัตรรับใช้แล้วเพคะก็มาต้อง อ, อกแรงทำอะไรแล้วหล่ะคุณเท้ามาอยู่กับเราในยามชราถ้าป่วยไข้ก็จะได้ดูแลรักษาจนสิ้นอายุไข่ไง และสามารถตายในพระราชวังนี้ได้หรือพิจงค่ะอืมได้สิทารุทายเราสัญญาว่าจะดูแลพวกท่านให้มีความสุขอย่งดิตลอดไปโอ้ยเป็นปรนะอรุณทงพระเรุณาพระเจ้าค่ะ ขากำบังมองหน่อยพู้เจาทั้งหลายท่านสํานักโกดมกำลังว น, นเพนเพียนอยู่ไม่เห็นกระไรท่านนั่งนิ่งไม่ไหวติงมาหลายวันอาจถึงขั้นรู้แจ้งแล้วก็ได้นะท่านโกทัยะหาไม่ได้เพราะปักอัตมายังไม่ได้รู้แจ้งในสิ่งใดในิพพานยังเป็นสิ่งที่ไกลตัวของอัตมาแต่พวกข้าพเจ้าต่างรู้ดีว่าเวลานั้นสำหรับท่านจะมาถึงได้ไม่ช้านี้แล้วพวกข้าพเจ้าปรรจงวิธีทั้งห้าจึงได้เลี้ยออยู่ที่เนี่ เพื่อหวังจะได้เป็นสาวกลุ่มแรกของท่านคงจะเป็นเช่นนั้นปัญจวัคคียพบ ป, ปะปัท่านมีอะไรที่สงสัยจึงทำผ้าเหมือนจะถามต่ออัตมาข้าพเจ้าสงสัยว่าจีวรและสบงอันท่านสมณะโคโดงนุ่มหงอยอยู่เวลานี้มองดูเก่าค่มค่ า, าบางทีก็เปื่อยยุ่ยจนเป็นผงหลุดลุ่ยออกมาสมควรแก่เวลาที่น่าจะเปลี่ยนใหม่ผู้ข้าพเจ้าจะไปพิกขา ขอผ้าจากชาวบ้านมาให้ไม่ต้องลำบากหรอกพวกท่านทั้งหลายผ้าใหม่ที่สวมใส่แล้วดูดีก็อาจจะทำให้มีอารมณ์อันเป็นกิเลสได้เพราะยังติดข้องอยู่ในความงามอาตมะจึงคิดจะละความกังวลในเรื่องนี้ปัดเรื่องอภรณ์ที่เหมือนเปลือกอันเป็นกิเลสที่ห่อหุ้มออกจากร่างกายไม่ไขว่คว้าหาอภรณ์ใหม่ นอกจากมีผู้นำมาให้ก็รับไว้แล้วถ้าหากไม่มีผู้นำมาถวายท่านจะหาจากที่ใดอาตมาอาจจะหาจากผ้าที่เขาห่อศพมาย้อมใหม่ถ้าหาศพไม่ได้ละขอรับก็จะใช้ซากของหนังสัตว์ที่ตายนวบปะแต่จะไม่ใช้หนังสัตว์ที่เป็นเพราะไม่ต้องการเข็นค่าหรือทรมานสัตว์นั้นไม่มีศพและไม่มีสัตว์ที่ตายลวขอรับ เราจะใช้เปลือกไม้มาปกคลุมร่างกายศิษย์พัยะหรือถ้าไม่มีเปลือกไม้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้อะไรเพื่อไม่ให้ความทิกติดในอาพรมาบันทอน จ, จิตใจจนไม่สามารถบำเพ็ญเพียรได้ก็รอดีอยูอ่ไหมข้าพเจ้าจะยึดในหลักปฏิบัติของท่านอาจาระ์ท่านอาจ ทันโกทัญญาพวกเรามีเรื่องจะปรึกษาว่ามาเลยท่านทั้งสี่หรือมีอะไรให้ว่าป่าพูดแทนก็ได้ข้าพระเจ้าคิดว่าพวกเราไม่สามารถบำเพ็ญเพียรตามอย่างท่านสมณะโคดมได้ในข้อไหนกันละ่ะตอบข้าได้ไหมพัทยะอย่างน้อยก็เรื่องละทิ้งเสื้อผ้าอาพรเนะ่ยทันโกนทัญญาเพราะถ้ามีพิกขาจารย์อาพรจากชาวบ้านมาสวมใส่ไม่หาผ้าพันกายจากศพ ไม่ใช้หนังสัตว์ที่ตายหรือแม้แต่เปลือกไม้ก็ยังไม่ใช้เราจะต่างอะไรกับชีเปลยหรือพวกที่คำพรที่นุ่งลมห่มฟ้าจริงไหมที่พวกท่านพูดมาก็นวมาใช้แต่พวกเราจะทำอย่างไรในเมื่อตั้งใจจะปฏิบัติตามท่านสมรากโคนมแล้วนี่เราก็ปฏิบัติตามในเรื่องอื่นสิท่านโกนทัญญาแต่เรื่องเสื้อผ้าพอเนี่ยข้าพระเจ้าขอสวมใส ข้าก็ตั้งใจะจะทำอย่างที่ท่านพัทยะว่าอืมงั้นก็ตกลงตามนี้ท่านสมณโคดมประคงไม่มีปัญหาหรอกนอกจากว่าท่านสามารถรู้แจ้งได้จากการไม่สวมผ้าหรืออภรรยใดๆตอนนั้นพวกเราเควคิดกันใหม่ก็แล้วกันนะงั้นพวกเราตกลงตามนี้ มีอะไรหรือท่านปัญจวัคคีย์ทั้งหลายจึงเข้ามาหาอาตามาโดยพร้อมเพียงกันได้พวกเราไม่เห็นท่านไม่ได้ออกไปเดินท บ, บาทโดยพิขาจารในหมู่บ้านมานานหลายเวลาแล้วจึงคาดว่าท่านเจอปัญญวันนี้ก็เลยจะติดตามท่านไปอาตมาเห็นว่าการออกไปพิขาและการกินอาหารทำให้เสียเวลาในการบำเพ็ญ และเป็นเหตุให้ยึดติดในรสของอาหารไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวหวานมันเค็มใดๆหากตัดเสียได้ก็เท่ากับทำลายกิเลสให้หมดสิ้นไปเ่าไม่หิวแย่ไงนี่ความหิวหรือว่าปากย่อมทำให้เกิดความอยากใช่ไหมละ่ะอยากจะกินนั่นกินนี่หรือที่เรียกว่าตัณหาถ้าเราตัด ความอยากเสียได้ตัณหาคือความอยากก็จะหมดสิ้นไปพวกท่านเข้าใจไหมโกนทันย า, าคล้ายๆจะเข้าใจต่อไปอาตามาจะกินแต่น้อยแล้วค่อยๆลดลงไปเหลือเพียงวันละมือ้อสองวันต่อมือ้อสามวัน ต่อมือ้อเจ็ดวันต่อมือ้อมือละเท่าเมล็ดถั่วมือละเท่าเยื่อถั่วจนไม่กินอะไรเลยยังไม่เคยเห็นมีใครทำเช่นนี้แต่พวกข้าพระเจ้าจะขอลองทำตามเพื่อจะพบกับความสำเร็จได้และต่อไปอาตมาจะย่างหรือทำลายกิเลสให้หมดสิ้นไป เช่นจะตากฝนในยามที่ฝนตกลงมาจะตากน้ำคา้างในฤดูหนาวจะก่อไฟผิงในเวลากลางวันอันร้อนอบ อ, อ้าวและให้แสงแห่งดวงอาทิตย์แผดเผาโดยเราจะไม่เบ า, าเท่านั้นเออว่าอย่างไรท่านอย่างไรท่านอาจารย์ที่ว่าทำตามได้ ท่านเจ้างธัญญาและเราเจันเมื่อัียินดีบำเพ็ญเพียรตามท่านดึกเกวียนที่หมุนล้อตามรอยผู้ที่นำไปใช่ไหมพวกเราทั้งหลายใช่แล้วท่านโจรธัญญา อาหารกำลังมุ่งตรงมาทางนี้จะเอาอย่างไงกันดีจะหนี่ไปหาไหนหลน<อ>นนังีไม่ต้องตกใจไม่ต้องหนีพวกเรามาดีไม่ได้มาร้ายนี่คือผู้นํามาชื่อว่าอ ม, มาจารุทายอีอืมาดีเปล่าจริงก็เมาจริงสิน้องชายน้องสาวพี่สาวพี่ชายและลุงป้านะอ่าทั้งหลาย ข้าแค่จะถามและตามหาคนเท่านั้นอจะถามอะไรหรือตามหาใครเจ้าคะท่านตามหาเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะองค์รัชชายาธแห่งกรุงกบิลพัทที่เสด็จนิยมมาบรรญชาเป็นนักบวชปริพาชกนลยสิพวกเราได้ข่าวว่าเจ้าชายเสด็จมาแถวแห่งขนตนนําบลนี้จึงอยากจะถามพวกท่านว่ามีใครเห็นหรื่องข่าวเจ้าชายของเราบ้างไหมขอาไม่รู้ไม่เห็น มอ้าเจ้าลาวา่าไงก็มีขื้นแต่ยินข่าวอะไรเลยงั้นพวกเราไปเสาะหากันทางอื่นดีกว่าอาหารไปลาวา <พอ S 2> น ก, การโลไทยเยเดี๋ยวก่อนสิท่านเมื่อหลายวันนี้มีนักบวชมาพิขาอาหารกับพวกเราชาวบ้านแถวนี้นักบวชนุ่มที่นำหน้าถ้าทางมีลักษณะดีอ๋อใช่เอ้เๆไม่ใช่ดีเดินที่ไหนกัน แค่สูงก็แค่ขายยาเอาทั้งนั้นแหละเขาก็รูมงางกว่าพี่ก็แล้วกันอยแต่ดูสงบเสงี่ยมนิ่งเฉยแล้วไม่พูดจากับใครเลยแล้วน้องสาวเคยเห็นเขาที่ไหนล่ะรีบบอกมาไวๆไวสิเขาอาจเป็นคนที่พวกข้ากำลังตามหาในเวลานี้ก็ได้ รารนามผู้แสดงสัจพจน์สีหเมธีปรรทรัตพนเกียรติบุระโชติสันสีสริยาพรวรการเจริญดีเปรมกมลโชติกาสเสถียนฐานิตสีสินรัตเกณฑ์นิตเรืองศรีสุพิศราพัน์เจริญพิทยารัก์สุทธิพัฒน์อ่อนปรางจรุพัน์เสวตรัตโชติกาเสเวตรัตอ่อนวีนาเจริญพิทยารัก์นัทพงศ์มัฒ น, นบุญญาบันทึกเสียงวรการเจริญดีกำกับการแสดง สัจพุดศีหามีทีอำนวยการผล